ก่อนที่จะสมาทานศีลโดยมากที่หลวงพ่อไปในสถานที่ต่างๆเกือบจะทุกสถานที่เมื่อไปถึงแล้วญาติโยมก็ไหว้พระแล้วก็อาราธนาศีลเมื่ออาราธนาศีลจบแล้วครูบาอาจารย์พระสงฆ์ท่านก็ให้ศีลญาติโยมทันที ท่านก็ไม่ได้อธิบายเรื่องศีลที่จะให้นี้มีความหมายว่าอย่างไรเพราะว่าท่านก็เข้าใจว่าเพียงศีลห้าข้อก็นับถือกันมาตั้งแต่โบราณโบราณคงจะเข้าใจดีท่านก็คงจะคิดอย่างนั้นหลวงพ่อมาคิดดูว่าเรื่องศีลหน้าที่การงานของพวกเราที่ ที่ต้องจัดต้องทําที่จะต้องได้ออกระทํานั้นมีมากมายในเรื่องที่จะมาเรียนรู้เรื่องของศีลในทางพระพุทธศาสนาหลวงพ่อว่าจุดนี้คือจุดหนึ่งคือไม่ให้ความสนใจเท่าที่ควรและอีกอย่างหนึ่งศีลที่พระสงฆ์ให้หรือว่าที่พวกเรารู้รู้กัน ถ้าจะเปรียบเทียบก็บเหมือนกับยาขมไม่เป็นที่ต้องการของคนไข้เพราะนั้นถ้าพูดเรื่องศีลแล้วก็มองไปอีกในลักษณะหนึ่งเพราะนั้นหลวงพ่อเวลาจะให้ศีลแต่ละครั้งหลวงพ่อจึงกล่าวคําอธิบายเรื่องศีลซะก่อนนะทําความเข้าใจซะก่อน ผู้ที่จะรับสินศิลมีคุณค่าอย่างไรทําไมเมื่อเห็นหน้าพระหรือว่าพระสงฆ์เข้ามาหรือทําพิธีทําไมพวกเราจึงรับสินอันนี้ก็คือถึงจะไม่ถามก็เป็นคําอยู่ในใจของพวกเราจะให้พวกเรารู้หมดทุกอย่างก็คงจะเป็นไปได้ยากแต่รู้แต่รู้แบบผิวเผินอย่างปาณาติปาตาเวรมณี ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์ห้ามไม่ให้ขโมยทรัพย์ห้ามไม่ให้ประพฤติผิดในกาลห้ามไม่ให้มุสาห้ามไม่ให้ดื่มโซราอันนี้คือสินห้าแต่คุณค่าของศินห้านั้นมีความหมายว่าอย่างไรคือคุณค่าทำไมจึงรักษาสินห้าเมื่อสมาทานสินห้าแล้วคนก็ยังฆ่าสัตว์ตัดชีวิต อธินนาทานก็มีอยู่กาเมสุมิษาจาร์ก็มีอยู่มุสานี่เป็นอาจินสุรานั่นก็เกือบจะทุกวงการทำไมทำไมชาวพุทธที่นับถือพระพุทธศาสนาทำไมยังเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็คือคำถามของชุมชนและสังคมของพวกเรามาโดยลำดับลาดับและก็ทวีคูณขึ้นเรื่อยๆพอที่สุด มาถึงยุคนี้สมัยนี้สื่อต่างๆและความหมายต่างๆอยู่ในชุมชนและสังคมของพวกเราถ้าว่ามาพูดเรื่องศีลธรรมเรื่องจริยธรรมแล้วเป็นของคือของล้าสมัยเกือบจะว่าเป็นอย่า ง, งานั้นทุกวันนี้พวกญาติโยมทั้งหลายพวกเราได้ได้คิดไหมได้คิดอย่างหลวงพ่อไหมถ้าว่าใครก็ตามถ้าว่านี่คนนี้นะมีศีลห้าไปวัดไปวาที่คนมีศีลห้านะชุมชนและสังคม สื้อต่างๆคนไฮโซยุคไฮโซทั้งหลายแหละดูแบบเยอะอยงถึงจะไม่พูดออกปากคล้าย ๆ, ๆว่าตำหนิในใจพวกคือพวกล้าสมัยพวกไดโนเสาร์พวกที่หัวไม่ก้าวหน้าพวกศิลธรรมมันจะไปถึงไหนลักษณะอย่างนั้นแต่ตามไม่จริงถ้าหากว่าเรา รู้เรื่องของศีลของพระพุทธเจ้านะถ้าเรารู้เรื่องของศีลแล้วเราจะคิดประมาทจะ ง, งั้นไม่ได้เพราะศีลของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติท่านมองไกลไม่ใช่มองใกล้ๆมองไกลมองชุมชนมองสังคมมองโลกให้อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขถ้าหากว่ามีผู้ถามอย่างลวงพ่อถามไอ้คนนี้แหละที่ว่าไม่ชอบศีลธรรมนี่แหละ เห็นคนไปวัดไปวาแล้วคนรักษาศีลเนี่ยเป็นคนล้าสมัยอย่างนี้ละ่ะถ้าหลวงพ่อถามว่าคุณไม่ชอบศีลธรรมใช่ไหมถ้าเขาพูดตามตรงเขาก็ว่าใช่ผมไม่ชอบศีลธรรมที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ถึงจะบัญญัติไว้ก็ไม่มีใครปฏิบัติแล้วจะบัญญัติไว้ทําไมถ้าหลวงพ่อถามว่าเมื่อคนไม่ชอบศีลธรรม คุณชอบคนไม่มีศีลธรรมใช่ไหมก็ต้องตอบว่าไม่รู้จะตอบทางไหนจะ ไ, ไม่ชอบอันหนึ่งมันก็ต้องชอบทางหนึ่งใช่ไหมแมมันก็ต้องว่าใช่ไม่ชอบคนมีศีลธรรม mm. ก็ชอบคนที่ไม่มีศีลธรรมอย่างผมเนีอยไม่มีศีลห้าในเมื่อไม่ชอบศีลธรรมคุณชอบผลอะไรทั้งสองอย่าง ผลสองอย่างนึงคนที่มีศีลธรรมไม่ฆ่าสัตว์ไม่ขโมยทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมไม่มูษาไม่ดื่มสุราอันนี้แปลว่าไม่งดเวน้นคนที่ไม่มีศีลฆ่าสัตว์ขโมยทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมูษาสุราเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องอาจินเป็นเรื่องทั่วๆวไปทั้งผลทั้งสองอย่างนี้เราชอบอะไรถ้าเราไม่ชอบ คนมีศินเราก็ต้องชอบคนที่ไม่มีศินคนไม่มีศินก็ฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าลูกฆ่าเมียฆ่าวงศาระฆนายาชของเราเราชอบไหมอันนี้ทุกคนก็ต้องใส่หัวทันทีว่าเงั้ยไม่ชอบในเมื่อคนไม่มีศินคุณคิดว่าทําอย่างนั้นได้ไหมเราก็ปฏิเสธไม่ออกคนไม่มีศินต้องทําได้ถ้าเป็นผู้มีสินอย่างล้มพ่ออินเนี่ย หลวงพ่อทําไม่ได้แน่แน่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกรรมมุสาสุรานหลวงพ่ออินจะไม่ทำเพราะปองพ่อเป็นผู้มีศีลแต่ผู้ไม่มีศีลทําได้ไหมเป็นเรื่องธรรมดาทําได้ในเมื่อทําได้แล้วถ้าไปฆ่าคนอื่นเราก็หัวร้อยย่อได้แต่มาฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าวงศสาคณาญาติของเราเราหัวร้อยย่อออกไหม มีตะร้องให้หัวเราะเยาะไม่ออกเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายที่ได้ยินตุ่มตามอยู่ในกรุงเทพไม่กี่วันไม่กี่เลาตีมาเนี่ยเป็นยังไงอันนั้นคนมีศีลใช่ไหมและคนไม่มีศีลถ้าคนมีศีลแล้วก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นแสดงว่าคนไม่มีศีลแล้วพวกเราหัวเราะไหมหัวเราะ อ, ออกไหมพวกเราหัวเราะไม่ออกนี่นแหละศีลของพระพุทธเจ้าท่านมองไกล หลวงพ่อพูดเบื้องแรกว่าสินของพระพุทธเจ้าท่านมองไกลไม่ฆ่าสัตว์ถ้าเราไม่ชอบให้คนอื่นมาฆ่าเราเราก็ไม่ควรจะไปฆ่าคนอื่นเขาและอธิณนาทานเราไม่ชอบในการขาโมยลดลาม้าวิ่งรองเท้าของเราไปไว้ที่ไหนมีแต่คนขโมยเราชอบไหมถ้าเราไม่ชอบเราก็ไม่ควรจะทาให้คนอื่นเขาอันนี้คือสินข้อที่สอง สีนข้อที่สามการเมินชวิตฉ้าจานโรกเต้าสามีพัญญาของเราเรารักสงวนห่วงเห็นใช่ไหมถ้าเราไปทำให้คนอื่นเขาเสียใจใช่ไหมถ้าเขามาทําให้แกเราเราเสียใจใช่ไหมอันนี้ก็คงจะเช่นเดียวกันการมูสาก็เหมือนกันถ้าเราไปมูสาโกหกคนอื่นเขาเสียใจเขามาโกหกให้เราเราเสียใจไหมเราก็ต้องเสียใจ ถ้าไม่โกหกดีไหมดีเพราะนั้นท่านจึงบอกว่าคนที่ชอบโกหกจะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มีเราฟังเอาไว้เพราะพระพเจ้าบอกเอาไว้ตรัสเอาไว้ เ, วเวมื่อสองพันกว่าปีว่าคนที่รู้รู้ว่าตัวเองโกหกแต่ก็ชอบโกหกทั้งที่รู้รู้จะไม่ทําความชั่วอย่างอื่นเป็นไม่มี ให้โลกพวกเราสังเกตดูกันแล้วกันคำนี้นะอันนี้คือข้อมุษาข้อสุราสุราเมระยะมชัปปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราสามารถที่จะทําความชั่วได้หลายอย่างเพราะคนขาดสติคนขาดสติทําความชั่วอะไรทุกอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็ได้ผิดขินข้อที่หนึ่งขโมยของคนอื่นก็ได้ผิดขินข้อที่สองเพราะมันขาดสติ พอดื่มเหล้าเข้าไปแล้วพูดจานละหลับ ล, ล, ละลวงอะไรก็ได้ผิดสินข้อที่สข้อที่สี่คนที่ดื่มโซลาก็หกเป็นของธรรมดาคับไปเรื่อยพราขาดสติเพราะฉะนั้นศินข้อที่ห้ามันละเมิดถึงข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สมข้อที่สี่ด้วยเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี้ให้สังเกตให้พิจารณา ให้คิดให้ติดตามจริงไหมหลวงพ่อเอาหลักเหตุผลมาพูดเพราะพุทธเจ้าบัญญยัดศีลขึ้นมา5้าข้อเนี่ยเพื่อจะให้โลกทั้งหลายคุ้มครองโลกทั้งหลายให้ได้รับความสงบร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลธรรมขาดศีลห้ามา ก, มากๆาโลกทั้งหลายเดือดร้อนแน่นอนไม่ต้องสงสัยมิขะสันีเกิดขึ้นมาได้ไง่ายๆคือเห็นกันแล้วก็ออมีแต่เรื่องจะฟัดจะกัดจะเวียงกัน มีแต่รัสดอเปรียบกันเพราะนั้นศินของพระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติไว้ที่หลวงพ่อจะให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายสินห้าของพระพุทธเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามีประโยชน์ต่อชุมชนสังคมต่อโลกอย่างมากถ้าพวกเราพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลแล้วเพราะนั้นโบ ร, ราณโบราณโบราณการจึงเห็นศิลเป็นมีคุณค่ า, เ, าเห็นเมื่อประกอบสาธนพิธีขึ้นมา คือจึงได้กล่าวขอศินต่อพระสงฆ์พระสงฆ์ก็จะให้ศินทุกครั้งเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อรู้ว่าศินมีคุณค่าอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวแล้วต่อจากนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นําให้ศินให้พวกเราสมาทานแล้วก็ให้สํารวมระวังถึงจะมีเวลาน้อยชั่วเวลาจํากัดก็ยังเป็นผู้มีศินในช่วงนั้นก็ยังเป็นผู้ดีนะ ต่อไปภายภาคหน้าก็ขยายผลออกเรื่อยๆ เ, เพราะเราเห็นคุณค่าของของสินที่พระพุทธเจ้าบัญญัตินะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้นำการที่จะให้สินเบื้องแรกนัโมตัสสะหลวงพ่อจะเป็นผู้นำคำแปลของนัโมก็ว่าข้าไปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะัสมาสามพุทธเจ้าพระองค์นั้นกนละ่าวถึงสามครั้ง ขอนอบน้อมพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสดาเป็นต้นพระพุทธศาสนาท่านให้พระธรรมคำสั่งสอนมาให้พวกเราประพฤติปฏิบัติเพราะฉนั้นพวกเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนกล่าวนอบน้อมถึงสามครั้งจากนั้นพุทธทงังทำมังสังขงังสารานางคัจฉามิพวกข้าพเจ้ายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสระาเป็นที่พึ่ง ดุติยามปีพุทธังทำมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตาติยามปีพุทธังธำมังสังขังข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สาเพราะนั้นยืนยันถึงสามครั้งว่าพวกเราเป็นอุบาสกอุบาสิกายึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นทารณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิล์นะอันนี้คือความหมายแน่วความหมายที่ว่าการ ว่านโมหรือว่าการสมาทานสินขั้นตอนนั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะตอนนี้ไปตั้งใจสมาทานศินนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมาณิปัญจสิกขาปะธานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปาทา สีเลนานิผูติงยันติตัสมาสีลังวิโสธาเย่เออกองถ่ายรูปจะเฝ้าถ่ายได้ขนะที่หลวงพ่อเบาได้บัณนี้น่าแต่ว่าถ่ายได้ถ่ายรูปได้แต่ห้ามใช้แฟดเพราะว่าใช้แฟดเวลาหลวงพ่อกำลังพูดแฟดเข้าตานะเป๋เลยั้งนะ <c oughs> <c oughs> อ่ะ แล้วกับเวลาหลวงพ่อกำลังพูดห้ามคุยกันถ้าปิดโทรศัพท์ได้ก็ดีเหมือนกันขณะที่หลวงพ่อพูดเพราะว่าทำให้ลบกวนสมาธิในการพูดพอหลวงพ่อจะมาได้ถือโอกาสมาอย่างนี้เมื่อหลวงพ่อไม่ใช่มาแบบได้ง่ายๆเดินทางมาเป็นร้อยกว่ากิโลไม่ใช่มาแบบนั้นน่ะหลวงพ่อเองก็อายุ เป็นหลวงปู่หลวงตาเข้ามาทุกทีแล้วนะนะเออ <g ười> ก็เสียนอายุมาหลายปีนั่นแล้วหลวงพ่อนี่นะ <g ười> และศูนย์มะเร็งแห่งนี้ลูกหลานก็คงจะคงจะไม่รู้นะหลวงพ่อเนีเย่ยหรอกในสมัยนั้นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขที่มาเปิดที่มาวาองสิ้นและเลิกในคราวนั้นหลวงตาเป็นองค์มาเปิด การนิมนพระเก้ารูปหลวงพ่อห น, นึ่งในเก้าวะเงี้นเถอะที่มาในข่าวนั้นหลวงพ่อองค์หนึ่งนะเออได้มาเปิดศูนย์มะเร็งแห่งนี้ว่างั้นเถอะเออหนึ่งในเก้าที่พระสง ม, มาร่วมพิธีในข่าวนั้นแต่หลวงพ่อมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองว่างั้นเอะออมาครั้งนี้เป็นครั้งที่สองเป็นตึกหมดแล้วดูแลสภาพเปลี่ยนไปหมดวันนี้หลวงพ่อได้มาเยี่ยม ได้รับนิมนต์มาพูดกล่าวแนะนำหรือว่ากล่าวสัมโมนิยกาถาให้ลูกหลานศรัทธา ญ, ญาติโยมหมอและพยาบาลพนกักงานทุกท่านที่มาร่วมในห้องประชุมแห่งนี้นับว่าเป็นโอกาสอันดีนานทีจะได้ มาร่วมแต่หลวงพ่อก็ไม่ทราบเหมือนกันทางโรงพยาบาลจัดกิ จ, จกรรมมากน้อยอยังไงแค่ไหนแต่หลวงพ่อก็จะพูดอย่างนี้ก็เพราะว่าตั้งแต่สร้างโรงพยาบาลมาหลวงพ่อก็ได้เข้ามาเป็นครั้งแรกเพราะนั้นลหลวงพ่อจึงว่าได้มาครั้งนี้เป็นครั้งสําคัญของหลวงพ่อที่มาพบกับคณะศรัทธาญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมกันประชุมในวันนี้ อันดับแรกหลวงพ่อก็ได้กล่าวอธิบายเรื่องศีลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติในพระพุทธศาสนาเพราะนั้นพวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านก็คงจะเข้าใจในเรื่องศีลที่หลวงพ่อได้กล่าวอธิบายในรายละเอียดให้แก่พวกเราได้ศึกษาแล้วนาไปคิดไตรตรองเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติศีลขึ้นมาเพราะอะไรทําไมคงจะ รปเหตุและผลในเรื่องของศีลเพื่อชุมชนและสังคมศีลของพระศีลของสัมมเนนศีลญาติโยมศีลแปดศีลห้าศีลแปดศีลสัมเนนศีลสิบศีลพระภิกษุ2 2งร้อยิ็และศีลในพิสมานจานนอกพระปฏิโมกอีกอันนี้คือศีลถ้าจะว่าไปแล้วศีลก็เหมือนกับกฎหมายบ้านเมือง และก็พร้อมกันก็เป็นกฎหมายระหว่างประเทศอีกสรุปแล้วก็คือให้ประเทศของตอนเองให้อยู่ในกฎหมายของประเทศคนในประเทศเป็นผู้กำหนดกฎหมายกฎเกณฑ์กันขึ้นมาพวกเราอยู่ร่วมกันควรจะทาตัวอย่างไรแต่ถ้าหาว่าคนใดก็ตามไม่ปฏิบัติต่อกฎหมายพวกนั้นจะว่าอย่างไงจะว่าเป็นผู้ไม่หวังดีเป็นผู้เบียดเบียนสังคม หรือว่าเป็นผู้ทรยศต่อสังคมที่มีกฎเกณฑ์ขึ้นมาแล้วไม่ปฏิบัติตามอย่างนั้นใช่ไหมก็คงจะไม่ผิดนะคงจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอันนี้ก็คือกฎหมายของบ้านเมืองของชุมชนแต่ละประเทศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายกฎหมายทุกสิ่งทุกอย่างถ่าจะว่าไปแล้วหลายอย่าง แต่ศีลของพระก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันสรุปแล้วก็คืออยากจะให้พวกเราอยู่ด้วยกันด้วยความสงบร่มเย็นเป็นสุขในชุมชนสังคมในประเทศนั้นๆเพราะนั้นพวกเราทุกๆ ท, ท่านที่อยู่ในประเทศไทยอยู่ในชุมชนสังคมหรืออยู่ในสถาบันหรือหน่วยงานใดก็ตามให้รับเคารพ ในหน่วยงานหรือสถาบันของตนเองอย่าบเบียดเบียนหรืออย่าเอารัดเอาเปรียบสถาบันของตนเองอย่างหลวงพ่อเป็นพระบวชในพระพุทธศาสนาหลวงพ่อก็ต้องเคารพสถาบันพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าบัญญัติสินอย่างไรหลวงพ่อก็ปฏิบัติตนให้อยู่ในวินัยและสิลที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้แต่ถ้าว่าหลวงพ่อ ไม่ปฏิบัติในศีลของพระพุทธเจ้าออกนอกผู้นอกทางทําตัวไม่ดีทําตัวออกเป็นผู้ไม่มีศีลถ้าจะว่าไปแล้วถ้าหาว่าพวกเราจะว่าไปก็ออหลวงพ่อทรยศต่อพระพุทธศาสนาอย่างนั้นใช่ไหมหลวงพ่อคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าไม่เคารพต่อกฎระเบียบที่พระพุทธเจ้าบัญญัติเอาไว้ ตอน้สถาบันอื่นละ่ะทหลวงพ่อเองก็อยากจะให้เป็นอย่างที่หลวงพ่อคิดเหมือนกันอย่างสถาบันทหารตำรวจที่ภาคสาอัยการทุกหน่วยทุกเหล่าจนถึงแพทย์พยาบาลอันนั้นก็คืออยากจะให้พวกเรา ท, ทุกทท่านเคารพต่อสถาบันของตนเอง ไม่ให้เบียดเบียนสถาบันของตนเองซื่อสัตย์ต่อสถาบันของตนเองตั้งอกตั้งใจทํางานด้วยความจงรับภักดีต่อสถาบันหลวงพ่อว่าเมื่อเราคิดได้อย่างนี้การอยู่ร่วมกันในสถาบันหรือกลุ่มชุมชนใดก็ตามบริษัทห้างร้านใดก็ตามหลวงพ่อว่าความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนและสังคมหรือกลุ่มงานนั้นๆ แต่ถ้าว่าพวกเรามีแต่เอารัดเอาเปรียบกันมาทํางานก็มีแต่ออใช้เลี่ยเดเหลี่ยมต่อกันไม่หวังดีต่อกันหลวงพ่อว่าถึงจะทํางานด้วยกันก็ไม่สนิทใจก็ทําให้การงานไม่ราบรื่นเท่าที่ควรมีอุปสรรคถ้าหากว่ามันยุ่งเหยิงวุ่นวายมากก็ น, นานับปการเลยมีเรื่องต่างๆขึ้นมา ผลที่สุดเมื่อมีเรื่องต่า ง, างๆขึ้นมาก็ต้องหาวิธีการแก้ไขจะทำยังไงจึงจะให้กิจการงานนั้นๆไปด้วยดีในเมื่อทำงานปรับปรุงแก้ไขโดยมากก็จะเอาสิ่งทางนอกเข้ามาเสริมพอสิ่งทางทางนอกเข้ามาเสริมแล้วคนทางในก็จะต้องออกไปแล้วทีนี้ผลที่รายได้ที่เราจะเอามาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัว เลี้ยงตัวของเราเองก็เลยกระเด็นออกไปอยู่ข้างนอกสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าไม่เป็นผลดีสําหรับคนในชาติคนในชาติต้องรักชาติต้องรักสถาบันต้องรักหน้าที่การงานถ้าพวกเราทุกวันนี้พวกเราทํางานอยู่ในระดับหนึ่งสมมติว่าอย่างเนี้ยเขาดสิบอร์เซนต์ในงานเต็มที่แต่พวกเราทํางานกี่เปอร์เซนต์ถึงห้าเปอร์เไหม ในการทํางานถึง8ปดเปอร์น์ไหมถึงเก้าปอร์ซนไหมในการทํางานของพวกเราเพราะฉนั้นอยากจะให้พวกเรามองเราประเมินการทํางานของพวกเราทุกวันทุกเดือนทุกปีทั้งว่าพวกเรามองตัวเองอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าทํางานขาดตกบกพร่องนะนะวันนี้มาสายไปแล้วเดือนนี้เรามาสายกี่ครั้งเราขอรับชั้นรัฐบาล ออร์ดอปชั่นตัวรวมกี่ชั่วโมงเพราะว่าเมื่อทํางานเข้าไปเราก็ต้องคิดชั่วโมงว่าชั่วโมงละเท่าไหร่อย่างเงินเดือนของพวกเราแต่พนักงานแต่ละคนเดือนละเท่าไหร่แล้คิดเป็นเวลาออกมาชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงละเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ทํางานในชั่วโมงนั้นก็แสดงว่าเราขาดตกบกพร่อง เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้หลวงพ่อว่าอยากจะให้พวกเราตรวจตราดูตนเองถ้าว่าพวกอื่นเป็นคนพูดหรือว่าพออเป็นคนพูดหรือว่าผู้บังคับบัญชาเป็นคนพูดก็จะทําให้ตัวเองไม่สบายใจอาจจะจับกลุ่มทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นได้ไง่ายถ้าว่าผู้ใหญ่ตักเตือนลงมาเพราะมันมีหลายคนที่ทําตัวอย่างนั้นบางกลุ่มบางหมู่บางคณะ แต่หลวงพ่อไม่ได้พูดศูนย์มะเร็งนะเพราะหลวงพ่อไม่เคยเข้ามาแล้วก็หลวงพ่อไม่รู้จักใครเป็นส่วนตัวเป็นพิเศษที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเนี่ยคือพูดเป็นภาพรวมที่หลวงพ่อเคยไปนในสถานที่ต่างๆไม่ว่าวัดวาศาสนาไม่ว่าสถานที่ต่างๆโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเพราะฉะนั้นการไปในสถานที่ใดก็ตามพูดให้คณะพวกคณะที่ฟังได้สํานึกได้คิด ได้พิจารณาได้ทบทวนตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องมากน้อยอยังไงแค่ไหนหรือไม่แต่ถ้าว่าพวกเราทบทวนในการกระทําของตัวเองอยู่หลวงพ่อว่านั่นละกิจการงานของพวกเราจะหลุดหน้าไปได้ได้ง่ายอย่างหลวงพ่อเคยได้ยินสมัยหลวงพ่อเป็นพระหนุ่มพระน้อยสมัยนั้น อะไรที่เขาเดินขบวนกันขึ้นมามีสำนักงานใหญ่รับวิสาหากิจในเมืองไทยของเรานี่แหละแต่หลวงพ่อไม่ขอเอ่ยชื่อก็คือทีแรกก็ไปได้ดีแต่คนในโรงงานเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี้พ้นที่สุดผู้ฝ่ายปกครองก็เลยทำอะไรไม่ได้พลที่สุดก็เลยได้ยุบโรงงาน เอาบริษัทเข้ามาทำงานแทนทั้งที่ตัวเองคนที่แรกคือคิดว่าคนพนักงานคิดว่าตัวเองฉลาดเรียกร้องในการทำงานผลที่สุดเมื่อเรียกร้องไปเรียกร้องมาคนที่เป็นหัวหน้าเ็าไม่รู้จะทำยังไง mm hmm. พอเรียกแล้วเขาไม่เขาไม่ทำงานให้ก็ต้องเอาคนภายนอกผลที่สุดพนักงานเหล่านั้นทั้งที่จะเกิดเป็นผลดีสาหรับคนในชาติก็เลย ตัดขาดออกไปหมดเลยไม่ได้ทํางานทั้งที่จะเป็นผลดีสําหรับคนในชาติกับเป็นผลร้ายผลที่สุดกับเป็นบริษัททางล้านบริษัทต่างๆเข้ามาจัดการเกี่ยวกับกิจการดูแลซ่อมแซมของกิจการนั้นไปอันนี้หลวงพ่อว่าไม่อยากจะให้หน่วยราชการทุกหน่วยมองไปข้างนอก มองเปรียบเทียบกับบริษัททางล้านอื่นถึงอย่างไรพวกเราทํางานในรัฐบาลถึงอย่างไงเงินดั้มเงินเดือนของเราก็มีอยู่มีกินสวัสดิการของพวกเรามีมากกว่า เ, ออเวลาเท่าแก่ชลาหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้ก็มีเครื่องออสวัสดิการมารับรองมาค้ําประกันในการเป็นอยู่ของเราอย่างมาก ถ้าจะว่าไปแล้วเพราะฉะนั้นอยากจะให้พวกเราทั้งหลายที่ทํางานสถานบันไดก็ตามให้จงรักพักดีให้รักสถาบันของตนเองให้ตั้งอกตั้งใจทําการทํางานอย่าให้ขาดตกบกพ้ววองต่อหน้าที่เพราะว่าการทํางานต้อง ม, อมันก็เหมือนกับฟันเฟืองมันเกี่ยวเนื่องกันไปจนถึงผู้ใหญ่จนถึงคนปัดถนนผ่านลง เป็นผู้มีความสำคัญด้วยกันทั้งนั้นแต่ถ้าว่าไม่มีพานโลปัดกวาดทาความสะอาดไม่มีใครต้นไม้ตดลดต้นยาตัดต้นไม้แล้วเราพวกเราคิดว่าเป็นยังไงโรงพยาบาลของเราก็คงจะลบหน้าดูแต่ถ้าว่าออไม่มีพนักงานเกี่ยวกับการซ่อมต่างๆโรงพยาบาลของเราจะเป็นยังไง แล้วพนักงานเกี่ยวกับทําความสะอาดดูแลในโรงพยาบาลถ้าขาดตวบกพ้องจะเป็นอย่างไรตลอดถึงพยาบาลแต่ละหมู่แต่ละคณะแต่ละกลุ่มมีความจําเป็นด้วยกันทั้งนั้นเพราะฉนั้นพวกเราอย่าไปถือว่าคนนั้นทํางานจําเป็นสําคัญคนนั้นสําคัญคนนี้ไม่สําคัญสรุปแล้วก็คือความสําคัญด้วยกันทั้งหมด เพราะนั้นให้มองกันเหมือนอวัยวะเดียวกันการทำงานร่วมกันตั้งแต่เท้าจนถึงผมจนถึงศีรษะถ้าเราเป็นคนมีศีรษะไม่มีผมเรามีความรู้สึกยังไงเราก็มีผมด้อยส่วนหนึ่งอีกเหมือนกันแต่ถ้าว่าเราไม่มีเล็บเราจะเป็นยังไง เพราะนั้นในร่างกายของพวกเรามีความจําเป็นด้วยกันทุกส่วนของร่างกายไม่ให้ขาดตกบกพ่องอันนี้ก็เหมือนกันการทํางานตั้งแต่หัวหน้าจนถึงลูกน้องทุกหน่วยทุกเหล่าเหมือนกับฟันเฟืองที่อาศัยซึ่งกันและกันเราจะไปคิดว่าหลังคามุงหลังคากับเบื้องมุงลังคาเท่านั้นแหละเกิดประโยชน์จนอื่นไม่เกิดประโยชน์ถ้าหากว่าออไม่มีข้าวไม่มีแปรไม่มีอะไรรองรับกระเบื้องกับเบื้องก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน พะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในอาคารหลังนั้นหรือคนชมุมชมนั้นล้วนแล้วแต่มีคุณค่ามีประโยชน์เพราะนั้นหลวงพ่อว่าการทำงานร่วมกันให้รักรู้รักสามัคคีอย่างที่ในหลวงที่ท่านพูดเอาไว้พวกเราทำอย่างนั้นได้ชุมชนสังคมหรือกลุ่มคณะของเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขอันนี้คือคือที่หลวงพ่อพูดึ้นมานี่คือสามัคคีทำนะ ธรรมะสมัครีการอยู่ร่วมกันเกิดสุขหถ้ามีความพร้อมเพียงสมัครีกันนะแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีความพร้อมเพียงสมัครีแล้วหาความสงบสุขไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลวงพ่อไม่ได้พูดว่าพวกเราแตกสมัครีไม่ใช่อย่างนั้นหลวงพ่อพูดขึ้นมาไปนะัตสถานถิ่นใดที่ใดก็ตามถ้ามีคนสองคนขึ้นไปหลวงพ่อก็ต้องพูดให้สมัครีรักกันไว้นะเออถ้าว่าสองคน สองผัวเมียแตก่กสามกีกันครอบครัวนั่นก็หาความสงบสุขไม่ได้เพราะฉะนั้นพวกเราอยู่ด้วยกันตั้งเกือบเป็นร้อยอ่าที่หลวงพ่อถามว่าพนักงานหรือ ว, ว่าทางพยาบาลทั้งหมอในโรงพยาบาลของเรามีเท่าไหร่เกือบว่าเกือบร้อยถ้าคนทั้งร้อยคนเนี่ยจะให้เป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันโดยที่ไม่ทะเลาะวิวาทกันหรือไม่มีเรื่องอะไรกันขึ้นหลวงพ่อก็ไม่ควรจะคิดอย่างนั้นมันก็ต้องมีอยู่บ้างแต่ว่า การอยู่ร่วมกันการจะมองอะไรกันข้อตามให้มองกันในแง่ดีอย่าไปมองกันในแง่ร้ายถ้าเมามองกันในร้ายแล้วหาที่สิ้นสุดไม่ได้ต้องมองกันในแง่ดีต้องมองกันในแง่เหตุผลเนี่แหละความสงบร่วมเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นในชุมชนของพวกเราอันนี้นี่คือทําความพร้อมเพียงสมัครีในเมื่อมีความพร้อมเพียงสมัครีแล้ว เราจะทำการทางานเดินก้าวต่อไปภายภาคหน้างานนั้นก็จะหลุดหน้าไปได้อย่างราบรื่นเป็นที่ยอมรับของชุมชนสังคมต่อประเทศชาติใครเข้ามาเกี่ยวข้องขอสบายอกสบายใจกับพวกเรานะและก็พร้อมกันขอขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้มีศีลธรรมประจาใจ อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นเรื่องศีลห้านี่แหละเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสําหรับพุทธบริษัทศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าศีลสมาธิทําจิตให้สงบสมาธิเป็นแนวความคิดสําหรับทางด้านจิตใจถ้าว่าคนเราคิดปุงฟุ้งซ่านคิดไม่มีเหตุคิดไม่มีผล มีอะไรก็คิดเออแล้วเหยิลอยลมไปเรื่อยคิดเรื่อยเปื่อไปเรื่อยอันนี้มีโอกาสที่จะเป็นประสาทและเป็นบ้านได้ง่ายๆเพราะเหตุไรเพราะว่าคิดไม่มีหลักไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์เพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้มีสมาธิสมาธิคือกําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละคือสมาธิที่พระพุทธเจ้าบัญญัติหรือว่าสอนพุทธบริษัทของพระ อ, องค์ในที่พระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตัดสรู้ธรรม เมื่อสองพันกว่าปีที่คโคนต้นโพพระพุทธองค์นั่งสมาธิทำยังไงสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้าให้มีสติอยู่กับตัวเองแล้วกำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกนี่แหละให้พวกเราท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ที่นี่นะให้ฝึกหัด ให้ฝึกหัดสมาธิให้อยู่กับตัวเองเรื่องสมาธิเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างมากแต่าว่าพวกเราจิตใจของพวกเราเลื่อนลอยจิตใจของเราไม่มีกฎไม่มีเกณฑ์ต่อไปภายภาคหน้านะเมื่อเราเท่าแก่ชลาพวกเราต้องเท่าเก่ชลาแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นถ้าไม่ตายง่ายก็ต้องเก่ชลาในเมื่อเท่าเกศชลาลงไปแล้วถ้าเราไม่มีหลักจิตหลักใจ ใจของเราก็จะคิดว้าวอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าโดยมากผู้สูงอายุจะเป็นลักษณะอย่างนั้นพอไม่มีโรกปีหลานมาเกี่ยวข้องตัวเองอยู่ตามลําพังก็เป็นคนคิดมากลักษณะซึมเศร้าจะเข้ามาเยือนคนแก่เพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เตรียมตัวเอาไว้ถ้าพวกเรามีกําลังใจ ฝึกหัดทางด้านจิตใจเอาไว้ประเภทอย่างนั้นจะไม่มีพยายามฝึกหัดให้อยู่ตามลําพังตัวเองให้ได้การตั้งสมาธิคือดูใจของตัวเองให้อยู่ตามลําพังไม่ให้คิดเกี่ยวข้องกับคนอื่นขนาดคิดก็ไม่ให้ส่งใจออกไปข้างนอกให้มีสมาธิอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองเพราะเหตุใด เ, เมื่อเราทําอย่างนี้ได้เราจะไม่บ้าดหว อ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าเพราะเหตุใรอีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปคนเดียวแน่ๆไม่มีใครที่จะตามเราไปคือวันนั้นก็คือวันสิ้นลมหายใจเราไปคนเดียวไม่มีใครที่จะตามเราไปเพราะนั้นเราจะไปคนเดียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการนั่งสมาธิจึงทําให้จิตใจสงบจิตใจให้เป็นหนึ่งไม่ให้คิดมีอารมณ์เป็นสอง กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกวิธีการนั่งสมาธิไม่ยากแต่ถ้าเมื่อเราฝึกดีแล้วฝึกสมาธิดีแล้วจิตใจของเรามั่นคงจิตใจของเราไม่กระสับกระส่ายจิตใจของเราไม่หิวโหวยกับอารมณ์ต่างๆจิตใจของเรานื่งนี่แหละต่อไปภายภาคหน้าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับตนเองหรือมีปัญหาอะไรก็าตามโลกธรรมแปด พวกเราเกิดมาในโลกนี้ต้องมีแน่นอนโลกกระทาแปดมีลาบเสื่อมลาบเมื่อมีลาบขึ้นมาเราก็ยิ้มหัวเราะได้เมื่อเสื่อมลาบเราจะทำใจยังไงเมื่อมียศเราก็ยิ้มได้เมื่อเสื่อมยศเราจะทำตัวอย่างไรเมื่อเขายกย่องเชิดชูบูชาเราก็ยอมรับได้เมื่อเขาด่าว่า กล่าวนินทาเราเราจะทําใจอย่างไงเมื่อเรามีทุกข์เมื่อเรามีสุขเราก็ยิ้มได้แต่เมื่อเรามีทุกข์เราจะทําใจอย่างไรนี่แหละในหลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านบอกเอาไว้ท่านกล่าวเอาไว้บอกว่าเมื่อโลกกระทำแปดเข้ามาอย่ายินดีในส่วนที่ปรารถนาอย่ายินร้ายในส่วนที่ไม่ปราถนา แล้วจะทํำยังไงจึงจะไม่ยินดียินร้ายคิดเอาได้เฉยมันไม่ได้นะมันต้องฝึกหัดทางจิตตะภาวนาทั้งฝึกหัดทางด้านจิตใจพอสมควรต้องทําใจให้สงบรู้เรื่องของใจพอสมควรถ้าหาว่าไม่รู้เรื่องของใจแล้วจะระงับใจตัวเองได้อย่างไงมันยากแต่ถ้าว่าเราฝึกทางด้านจิตใจมาแล้วเมื่อโลกกระทําแปดเข้ามากระทบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา เราก็สามารถที่จะระงับใจของเราได้ในสิ่งที่ไปพึงปรารถนานั้นเพราะนั้นเราต้องฝึกหัดไปเรื่อยๆการฝึกหัดสมาธิไม่ยากเมื่อเราอยู่ตามลำพังแล้วก็นั่งสมาธิกาหนดลมหายใจเข้าหายใจออกบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้เรียก ว, ว่าภาวนาภาวนาก็ได้หรือว่าฝึกสมาธิก็ได้ เพราะนั้นวันนี้หลวงพอ่อจะได้พูดเรื่องสิ่งกับสมาธินะไอ้ส่วนปัญญาวิปัสนานั้นเนีย่ยังค่อยว่าศึกษาต่อไปในภายภาคหน้าแต่ถึงยังไงก็ตามพวกเราเป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทลูกษิต์ของพระพุทธเจา้าขอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจคิดไว้อยู่เสมอว่าพวกเราเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนา ได้มาอยู่ในเมืองไทยพราะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นพุทธศาสนูปธรรมภกแล้วเป็นพเออพร้อมหมดทุกอย่างคุ้มครองพี่น้องประชาชนพระสงนิกรของพระองค์ให้ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขพระองค์ก็ได้ทําตัวอย่างให้แก่ประสงนิกรอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็น เมื่อปีสองปีมานี้พวกเราก็จะเห็นโลกของพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวพวกเราได้สังเกตไหมเห็นไหมที่พระองค์ให้พระราชชนนีเกาะแขนท่านดูแล้วท่านรักพระราชชนนีของพระองค์พวกเราเคยเห็นไหมในรูปภาพต่างๆท่าต่างๆอริยบทต่างๆ แล้วพวกเราเคยทําอย่างพระองค์ท่านไหมนี่แหละอันนี้ก็ว่าพระเจ้าเป็นดินยอดกระตันอยู่พวกเราให้สังเกตดูให้ดูขนาดเป็นเจ้าฟ้าเจ้าเป็นดินท่านยิ่งทาอย่างนั้นบางทีเวลาเดินไปเห็นโยมเห็นมานรดาของท่านท่านเข้าไปประคองท่านบอกว่าสมัยเราเป็นเด็กแม่เรา ประคองให้เราเดินท่านยังประคองได้แต่บัดนี้พระราชช น, นีแม่ของเราอายุแก่เราจะประคองไม่ได้แล้วไม่ต้องมาประคองแม่ของเราเราจะประคองเองนี่ละ่ะอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายที่มีแม่ที่มีพ่อโค้งลงพ่อว่าผมน่าจะเอาสักเสี้ยวหนึ่งมาประพฤติปฏิบัติ ปฏิบัติต่อมารดาบิดาของตนเองเพราะว่าพ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายตั้งแต่หัวจุดเท้าพวกเราได้มาจากใครได้มาจากพ่อจากแม่พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณพ่อแม่เป็นบุพกาจารย์เป็นอาจารย์ของบุทที่ด่างคนแรกเพราะนั้นพวกเราที่เป็นลูกของพ่อของแม่ควรจะมองพระ อ, องค์ท่านมาเป็นแบบมาเป็นตัวอย่างของพวกเรา แต่โดยมากพวกเราท่านทั้งหลายเห็นพ่อเห็นแม่ป่วยแล้วก็ไม่อยากจะเข้าใกล้นะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาบอกว่าไม่มีเวลาแต่เวลาไปกินเหล้าเมายาไปตีก๊อปไปเที่ยวที่อื่นมีเวลาแต่ที่จะมามีเวลากับพ่อกับแม่ไม่มีเวลาพวกเราเป็นอย่างนั้นบ้างไหมเพราะนั้นหลวงพ่ออยากจะเตือนชุมชนและสังคมของพวกเราให้ คิดไว้อยู่เสมอว่าบิดามารดาเป็นผู้มีพระคุณสำหรับพวกเราในหลวงของเราหลวงพ่อได้อ่านในประวัติของท่านเมื่ออายุ93บสปีในหลวงจะมาเสวยกับสมเด็จญาทุกวันในห้าวันคืออาทิตย์ถึงมีเจดวันห้าวันนั้นในหลวงจะมาเสวยอยู่ในวงเสวย ของพระราชชนนีท่านตักอาหารอันนี้อร่อยนะโยมบรรดาโยมแม่ท่านก็ให้นี่แหละให้เขาว่าท่านดูท่านบอกว่าเนี่ยไมยเราเป็นเด็กแม่เลี้ยงเราแต่แม่แก่แล้วเราทำไมจึงเลี้ยงแม่ไม่ได้นอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างสำหรับพวกประสบนิกรยาพวกเราท่านทั้งหลายแต่พวกเราทั้งหลายมาอยู่ที่นี่เคยไปกินข้าวกับแม่บ้างไหม ถ้าไม่เคยกับหลวงพ่อว่าน่าจะยึดในหลวงเป็นตัวอย่างมีอะไรก็ได้ถือไปแล้วไปชวนแม่ทานกินข้าวกินน้ําคุยกันเพื่อจะให้กําลังใจของแม่ของเรานี่แหละแต่ีิววันที่หกท่านไปที่ไหนท่านบอกว่าวันที่หกเนี่ยผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านท่านบอกว่าวันที่หกคือคือวันแปดคำ่ 8, 8, 5, 5, 5, คำแปดแปดค่ำสิบห้าค่าในหลวงรักษาศีลแปดท่านไม่มาเสวย อดพระกยายหารทั้งวันท่านรักษาศีล8ดูสิท่านไม่ได้มองข้ามศีลธรรมนะท่านเคารพศีลผู้ที่อยู่ใกล้ชิดท่านว่าอย่างนั้นเขียนออกมาเป็นนัง้งตัวหนังสือเลยหลวงพ่อได้อ่านโอ้โหไม่ใช่ธรรมดาในหลวงของเราเนี่ยรักษาศีลอุโบสถทุกวันพรางจากนั้นวันที่7ท่านก็คงจะเสวยพระกยายฐารกับพระบรมราชินีกับลูก ของพระองค์อันนี้ก็คืออายุของอนนพระมารดาของท่านเมื่ออายุ9กสปีปีสุดท้ายนี่แหละอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่าไม่นำมาพูดมากล่าวมากล่าวตับเตือนพวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายก็คงจะไม่ได้คิดเพราะนั้นผู้ใดก็ตามยังมีพ่อมีแม่เป็นร่มโพร่มใส่อยู่ควรจะเข้าไปกลาบไปไหว้ เคารพท่านเพราะท่านเป็นผู้มีพระคุณพ่อแม่เป็นพระอระหันต์ของบุตรธิดาพ่อแม่เป็นพรหมของบุตรพ่อแม่เป็นบุพพาจาร์เพราะพระพุทธเจ้าท่านยกย่องขนาดนั้นนะเพราะนั้นพ่อแม่เป็นบุคคลตัวอย่างของบุตรธิดาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพ่อเป็นแม่นะเป็นตัวอย่างของลูก ลูกต้องเรียนจากพ่อแม่เพราะนั้นพวกเราอย่าให้เขาเรียนในสิ่งที่มันไม่ดีอย่าไปเห็นอย่าไปกินเหล้ามายาให้ลูกเขาเห็นอย่าไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีให้ลูกเขาศึกษาควรจะทําสิ่งที่ดีให้เขาได้เห็นได้ศึกษาเพราะเราเป็นบุคคลตัวอย่างของปุถธธิดาเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทุกๆ ท, ท่านนะที่หลวงพ่อมาได้พูดในวันนี้อันดับแรกหลวงพ่อได้กล่าวถึงศีลห้า แล้วก็ต่อมาหลวงพ่อได้พูดเกี่ยวกับการเป็นอยู่ร่วมกันของสถาบันให้รับเคารพจงรักภักดีต่อสถาบันให้ซื่อสัตย์ต่อสถาบันให้ทําหน้าที่ให้ดีที่สุดต่อสถาบันแล้วสถาบันของพวกเราก็จะเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ให้เป็นผู้มีสมาธิฝึกหัดทางด้านจิตใจด้วยเพราะเราเป็น เป็นชอบพุทธการฝึกหัดทางด้านจิตใจนั้นทำให้จิตใจมีหลักจิตใจไม่ละหกละเหินจิตใจไม่ว้าวีอ้างว้างเงียบเหงาซึมเศร้าถ้าเราฝึกสมาธิดีจากนั้นก็ได้พูดถึงพวกเราเกิดมาจากไหนเกิดมาจากพ่อจากแม่ควรจะรู้พระคุณของบิดามดาของพวกเราพอโลกทุกวันนี้รู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้รู้สึกห่างเหินไปเรื่อยๆนะแล้วก็ต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเรามีลูกขึ้นมาเราก็ไม่รู้จะสอนลูกยังไงก็ยิ่งห่างเหินไปเรื่อยเช่นเดียวกันกับพวกเราเพราะเราห่างมาขนาดนี้ลูกเราก็ต้องห่างไปขนาดนั้นเลนเราก็ต้องห่างไปอีกเพราะฉะนั้นพวกเราให้ยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนท่านบอกกล่าวพุทธบริษัทของพระองค์แล้วก็พวกเราประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของ พอพูดใเจ้าแล้วจะความสงบร่มเย็นเป็นสุขก็จะเกิดขึ้นกับชุมชนสังคมประเทศชาติของพวกเราที่หลวงพ่อได้กล่าวมาก็เห็นว่าพอสมควรขอหยุดในการกล่าวสมมูลนิจกถาเพียงเท่านี้